ข้อควิธีปฏิบัติภาคสมถะสำหรับอาณาปานสติขั้นเตรียมการข้อก อ, อสถานที่เริ่มต้นถ้าจะปฏิบัติอย่างจริงจังพึงหาสถานที่สงบสงัดไม่ให้มีเสียงและอารมณ์อื่นรบกวนเพื่อให้บรรยากาศแวดล้อมช่วยเกื้อกูลแก่การปฏิบัติโดยเฉพาะผู้เริ่มใหม่เหมือนคนหัดว่ายน้า ได้อาศัยอุปกรณ์ช่วยหรือเริ่มหัดในน้ำสงบไม่มีคลื่นลมแรงก่อนแต่ถ้าขัดข้องโดยเหตุจำเป็นหรือปฏิบัติเพื่อประโยชน์เฉพาะสถานการณ์ก็จำยอมพระอัตถกถาจารย์ถือว่าอาณาปานสติเป็นกรรมฐานที่หนักจเจริญยากท่านถึงกับสัมทับความสำคัญไว้ว่าอาณาปานสติเป็นยอดในประเภทกรรมฐาน เป็นภูมิมณสิการของพระพุทธเจ้าพระปัเจกาพุทธเจ้าและพุทธบุตรชนิดมหาบุรุษเท่านั้นไม่ใช่การนิดหน่อยไม่ใช่การที่สัตว์เล็กน้อยจะซ่องเสพได้ถ้าไม่ละที่มีเสียงอื้ออึงก็บำเพ็ญได้ยากเพราะเสียงเป็นค่าสึ่งแห่งฌานและในการมณสิการต่ อ, ตอไปก็จะต้องใช้สติปัญญาที่กล้าแข็งด้วยท่านอ้างพุทธพจน์ในอาณาปานสติสูตร มัชิมนิกายอุปริปันธาสมาสนับสนุนว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวอาณาปานสติแก่คนที่มีสติเลอะเลือนไร้สัมปัญญาย่างไรก็ตามน่าสังเกตว่าในเมื่อท่านว่าอาณาปานสติยิ่งใหญ่ทำยากอย่างนี้เหตุไฉนท่านจึงว่าเป็นกรรมฐานที่เหมาะแก่คนโมหะจริตด้วยการเตรียมการก็ขอ ท่านั่งหลักการอยู่ที่ว่าอิริยาบทใดก็ตามที่ทาให้ร่างกายอยู่ในภาวะผ่อนคลายสบายที่สุดแม้ปฏิบัติอยู่นานๆก็ไม่เมื่อยล้าและทั้งช่วยให้การหายใจคล่องสะดวกก็ใช้อิริยาบทนั้นการปรากฏว่าอิริยาบทที่ท่านผู้สำเร็จนับจำนวนไม่ท้วนได้พิสูจน์กันมาตลอดการนานนักหนาว่าได้ผลดีที่สุดตามหลักการนั้นก็คือ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 มือขวาทับมือซ้ายนิ้วหัวแม่มือจดกันหรือนิ้วชี้ขวาจดหัวแม่มือซ้ายแต่รายละเอียดเหล่านี้ขึ้นต่อดุลยภาพอย่างร่างกายของแต่ละบุคคลด้วยผู้ที่ไม่เคยนั่งเช่นนี้หากทนหัดทำได้ก็คงดีแต่ถ้าไม่อาจทำได้ก็อาจนั่งบนเก้าอี้ให้ตัวตรงสบายหรืออยู่ในอิริยาบถอื่นที่สบายพอดี มีหลักการสำนัทับอีกว่าถ้ายัางนั่งไม่สบายมีอาการเกรง็งหรือเครียดพึงทราบว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องพึงแก้ไขเสียให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติต่อไปส่วนตาจะหลับหรือลืมก็ได้สุดแต่สบายและใจไม่ซ่าถ้าลืมตาก็อาจทอดลงหรือมองที่ปลายจมูกให้เป็นที่สบายอน า, าปานตสติเป็นกรรมฐานอย่างเดียว ในบรรดาข้อปฏิบัติเป็นอันมากในมหาสติปฐานสูตรที่มีคำแนะนำกำหนดเกี่ยวกับอิริยาบถว่าให้พึงนั่งอย่างนี้ส่วนกรรมฐานอย่างอื่นย่อมเป็นไปตามอิริยาบถต่างๆที่เข้าเรื่องกันหากจะมีการนั่งก็ย่อมเป็นไปเพราะความเหมาะสมกันโดยอนุโลมกล่าวคือเมื่อกกรรมฐานใดนั่งปฏิบัติได้ดีและในเมื่อการนั่งอย่างนี้เป็นท่านั่งที่ดีที่สุด ก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่พึงนั่งอย่างนี้ตัวอย่างเช่นการเพ่งกระสินและการพิจารณาธรรมารมต่างๆนานๆเป็นต้นเหมือนคนจะเขียนหนังสือถ้านั่งย่อมเหมาะดีกว่ายืนหรือนอนเป็นต้นพึงเข้าใจความหมายของการนั่งอย่างนี้ม่ใช่มองเห็นการนั่งเป็นสมาธิไปพูดอีกอย่างหนึ่งว่าการนั่งแบบกู้บัลลังนี้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 เท่านั้นเองเมื่อนั่งเข้าที่สบายดีพร้อมแล้วก่อนจะเริ่มปฏิบัติปราชบางท่านแนะนำว่าควรหายใจยาวลึกๆและช้าๆเต็มปอดสักสองสามครั้งพร้อมกับตั้งความรู้สึกให้ตัวโล่งและสมองโปร่งสบายเสียก่อนแล้วจึงหายใจโดยกำหนดนับตามวิธีการ